คำว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนวงปฏิบัติด้วยการเป็นอันดับหนึ่งนี้รู้สึกจะออกหน้าออกตาเพราะความชำรุดของถาดขันนี่แหละเป็นเหตุแต่ก่อนก็ทำงานได้ไปมาหาสู่ที่นั่นที่นี่ดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนที่นั่นที่นี่ยังได้ ทุกวันนี้มันหดมันย่นก็ามาทาดขายไม่อำนวยไปไหนก็ลำบากต้องตั้งท่าตั้งทางด้วยเหตุผลที่จำเป็นจริงๆถึงจะไปถ้าธรรมดาตั้งหน้าไปดูแลแนะนำสอนเพื่อนฝูงนี่รู้สึกจะไม่ไปแล้วทุกอย่างทุกวันนี้ นี่ตั้งแต่วันกฐินมาจนกระทั่งปันนี้ไม่ได้ประชุมเทศแล้ววันนี้ก็ไม่ทราบจะเทศไปยังไงหลงลืมไปยังไงเพราะมันไม่เหมือนคนเก่าที่เคยเทศแล้วเวลานี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในสัญญาอารมณ์หลงลืมกุบ ด, ด้วนไปในขณะที่เทศนี่สําคัญมาก ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงก็ามากนับวันมากขึ้นโดยลำดับเราเท่าแก่ลงเท่าลงเท่าไรความเป็นห่วงใยในเพื่อนฝูงยิ่งมีมากขึ้นโดยลาดับเพราะการปฏิบัติตนไม่ทันกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้สำคัญมากไม่ทันไม่ทันอยู่อย่างนี้ เลยเคยพูดเสมอว่ากิเลสนี้ละเอียดแหลมคมมากหนาะตาไม่ทันได้ง่ายๆภาคปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังจริงๆแล้วไม่ทันวิธีการที่จะระงับความพุ่งเฟอ้อเหอ่อขนองภายในจิตใจซึ่งเป็นอยู่ในนิสัยสัญดานของสัตว์โลก ก็ย่อมมีอยู่ณในผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกันยิงต้องในต่างท า, า ง, ทางระมัดระวังรักษาด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้แล้วค่อยล้มเหลวไปเรื่อยๆเพราะกิเลตไม่เคยอ่อนตัวมาแต่การไหนๆส่วนธรรมะเมื่อยังไม่ได้หลักได้เกณย่อมมีการอ่อนตัวมีสูงๆต่ำๆล้มลุ่ ม, มดอ น, ดอน ไม่สม่ำเสมอเหมือนยิเรศที่ทำงานเพื่อตัวของมันเองเป็นความสม่ำเสมอตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่ที่เป็นหน้าวิตกมากจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้เข้าสัมผัสใจเถิด จะทราบมาโดยลำดับตั้งแต่คันความสงบเย็นใจไปใจเป็นสมาธิเลื่อยมาเป็นลำดับจิตจะค่อยคลายจากโลกามิตทั้งหลายที่เคยจำเจแต่ไม่เข็จไม่หลับนั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาเมื่อมีอาหารเป็นเครื่องดื่มภายในคือทรรมได้แก่สมถะธรรมเพียงเท่านี้ก็ร่มเย็นเป็นสุข เพราะฉะนั้นผู้มีสมาธิทมจึงอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ได้เพราะใจอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งเคยหิวโหยมา ม, มากต่อมากจนกระทั่งไม่ได้สติสตังเพราะความวิ่งเต้นเพวิ่งเต้นเพงกระโดดตามอารมณ์นั้นๆแต่แล้วก็ได้หดด่นเข้ามาอยู่ในความสงบเพราะมีรสชาติพอที่จะให้เกิด ความติดพันได้เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากสำหรับพระปฏิบัติเราจึงขอให้ทุกท่านได้เน้นหนักทางด้านจิตตะภาวนาด้วยวิธีการต่างๆทำอย่างไรจิตจะสงบลงได้ให้หาอุบายวิธีการทำยาสักแต่ว่าทมการสักแต่ว่าทมนั้นมันเป็นเถหนง หาความฉเฉียวฉลาดไม่ได้ไม่สมกับกิเลสที่มีความแยบคายมากบนหัวใจเราจึงต้องใช้วิธีการหลายด้านหลายทางตั <c oughs> ้งที่เคยเทศให้ฟังแล้วพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันขมไม่อย่างนั้นไม่ทันอุบายวิธีใดเหมาะได้กําลังใจจิตพอมีสติสตางค์ขึ้นบ้างให้ยืดอุบายนั่นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติของตน นี่สำคัญมากแต่ส่วนมากมักจะถูกเรื่องการผ่อนอาหารอดอาหารเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตันหาขึ้นในธาตุขันแย้เป็นเครื่องส่งเสริมราคะภายในจิตใจได้เป็นอย่างดีเมื่อธาตุขันมีกําลังแล้วย่อมอยุแย่ก่อกวนให้จิต ซึ่งเป็นรังแห่งที่เหลืทันหาอยู่แล้วตื่นตัวขึ้นโดยลาดับลาดาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะอานาจแห่งธาตุขันมีกำลังส่วนมากจะไม่สังเกตกันในตอนนี้นี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้เพื่อนฝูงฟังเพราะหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางมาม า, มากต่อมากแล้วอย่างไรก็ไม่ถูกชนิดใดก็ไม่ถูกเดินจงกรมทั้งวันก็เดิน ผลที่จะปรากฏไม่เป็นไปได้เท่าที่ควรนั่งสมาธิภาวนากระีอหลายๆชั่วโมงก็นั่งเว้นการนั่งสมาธิหามรุงหามคำนั้นเสียเพราะนั่นเป็นวิธีการพิเศษต่างหากนั่งธรรมดาก็นั่งแต่มันก็ไม่ได้เรื่องได้ลาวจิตกัดแกงกัดแกงไปมาอยู่ตลอดไม่เข้าสู่ความสงบได้สติสตังก็ไม่ทัน นี่ก็ทราบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางอดอาหารก็เคยอด อ, อดนอนก็เคยอดตามหลักธุดงท่านแสดงไว้เป็นกลางๆตามแต่จะถูกกดิบนิสัยของท่านผู้ใดอเนสัตชิการไม่นอนเป็นคืนๆไปจะอธิษฐานตั้งสัจจ์กี่วันกี่คืนก็แล้วแต่ แล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยอีกิยาบทสามคือยืนเดินนั่งเว้นการนอนเสียสำหรับเราเองก็ไม่ได้อุบายต่างๆจิตจะมีความสงบผ่องใสก็ไม่ปรากฏอดไปหลายวันโดยทื่อไปหมดในสกนากายจนกระทั่งขึ้นสมองเหมือนเราเรียนหนังสือนั่นแหละมันทื่อไปสมุดก็รู้สึกตัวว่านี่ไม่ถูกกับจิตของเรา จึงหันมาทางด้านอาหารหันมาที่แรกผ่อนอาหารดูก่อนเป็นอย่างไรพอผ่อนอาหารเริ่มรู้สึกผ่อนไปเรื่อยๆติดติดกันไปหลายวันเริ่มรู้สึกได้ผลไปติดติดกันจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาอดอา้าวทีนี้อดจะเป็นอย่างไรทดลองดูผ่อนอาหารเป็นอย่างนี้ อดจะเป็นอย่างไรอดก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นโดยลําดับลาดาสติสตังตั้งได้เรื่องกิเลสนี่มีราคาตัณหาเป็นสําคัญมากในกจิตใจของแต่ละคนละคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคาราวะตัวนี้ฝังลึกมากที่สุดเลยไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะมองหามันไม่เจอมองไม่เห็นเลยนี่นํามาพูดด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้ อ, อ้วดเปิดเผยให้เพื่อนฝูงได้ฟัง ว่ามีภาคปฏิบัติเท่านั้นจะตามสอดส่องมองเงื่อนของมันทันบ้างไม่ทันบ้างจนกระทั่งถึงทันกันจับกันได้เพราะอุบายวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนี่ก็มาถูกในเรื่องอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไหร่สติแนบแน่นตลอดเวลาเรื่องราคาตันหาที่ เยิบเย็บยบย็บนี่หมายถึงเป็นอยู่ภายในใจต่างหากไม่ได้หมายถึงมาเป็นตามตะกุลตะกายมันเป็นอยู่ด้วยความฝังลึกของมันนั่นแหละมียิบเย็ยบเย็บอยู่อย่างนั้นแต่พออดอาหารเขาหลายวันสติครอบเข้าไปครอบเข้าไปปัญญายังไม่ได้ใช้ใช้แต่สติคือความตั้งตัวรู้เสมอเป็นจนกลายเป็นสัมปชัญญะติดแนบกับตนไปโดยลําดับลําดา กิตก็สงบแน่วลงไปแน่วไปอดหลายวันเข้าหลายวันเข้าจิตไม่เผอทั้งวันติดแนบกับตัวกลายเป็นสัมปะชัญญะไปได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ก็เห็นว่าถูกแล้วทีนี่แน่ใจว่าถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปจะทำอย่างอื่นไม่ได้พอปล่อยอันนี้ลงบ้างมันจะมีอากัปกิริยาแสดงให้เห็นขึ้นมาว่า จฆ่าตึกจะเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นต้องเลยหักโหมกันดูเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งเ็ดตั้งตัวได้สติเป็นสติจิตมีความสงบเย่องเกินเป็นลำดับแม้ดัง ท, ที่เคยเล่าให้ฟังว่าบริกรมททรมบุตโธไม่ปล่อยไม่วางทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน จะกิดจะเสื่อมจะเจริญไปไหนไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทั้งนั้นจะเอาเฉพาะพุโทโธคำเดียดนี้นี่เท่านั้นก็ตามการอุหารก็ต้องติดแนบไปด้วยไม่ใช่ทำเฉยเฉยไม่อดวิธีการนี้เป็นวิธีการสําคัญสําหรับจะดนิสัยของเราทีนมันจึงช่วได้ชั่วได้เป็นลําดับลําดาจึงตั้งตัวได้ขึ้นมานี่เราพูดย่อๆให้เพื่อนฝูงได้ฟังวิธีการที่จะเกิด อุบายต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจเมื่อจิตสงบแล้วจะก็จะเริ่มเกิดปัญญาออกก็จะเริ่มเกิดปัญญาไม่ออกก็ยังมีอุบายแปลกๆต่างๆเกิดได้เป็นวระวระวระไปมีนี่วิธีการปฏิบัติตนถ้าไม่เอากิงเอาจังจะไม่มีเหลือนะักรรมาฐานของเราเวลานี้ขึ้นของจิเลส กำลังหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดามีทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านภายนอกภายในมีแต่เครื่องส่งเสริมหลอกลวงกันด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแล <c oughs> เรื่องอำนาจของธรรมที่จะแทรกเข้าไปนิดๆใ น, นหน่อยไม่ปรากฏเวลานี้มีแต่คลื่นของกิเลสทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มว่าเต็มพระเต็มเนเราแล้วเราจะหลบซ่อนที่ตรงไหน ถ้าไม่มีสติสตังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงอย่างเอาจริงเอาจังเอาตัวเลือดรอดจากคลื่นมราสม์ใหญ่นี้แล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้จะต้องตายจมเช่นเดียวกับโลกทั่ ว, วไปซึ่งเขาไม่ปฏิบัตินั่นแหละเราต้องตั้หนักใจของเราเน้นหนักใจของเราในภาคปฏิบัติให้มากผู้ปฏิบัติในโลกอันนี้ความรู้อันนี้ก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วตั้งแต่วันเกิดเฉพาะผมผู้แสดงทําให้เพื่อนฝูงฟังอยู่เวลานี้ ความสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มาให้สุขให้ทุกข์ให้สุขให้ทุกข์ก็เป็นเรื่องสุขทุกข์ของกิเลสไม่ใช่เรื่องสุขทุกข์ของธรรมก็ผ่านมาโดยลระดับลํบาัาจนได้เข้ามาเจอความสุขที่เกี่ยวกับธรรมคือเบื้องต้นก็เจอสมาธิเจอความสงบของใจก่อนพอเจอความสงบของใจใจก็ติดนั่นพอหาที่เกาดอยู่แล้วเกาะที่ไหนมีแต่พังก็อะไรมีแต่พังมีแต่พัง เกาะด้านนี้ว่าเป็นน้ำกลับมาด้านนี้เป็นไฟเผาไหม้เขาไปเสียเผาไหม้เข้าไปเสียมันแบบว่าเกาะด้านไหนก็มีแต่คมแต่ลายของมันทิ่มเข้ามาแทงเข้ามาเชื่อเฉือนเข้ามาเรื่องของเกเรศเป็นอย่างนั้นไม่มีส่วนใดที่สัมผัสมาแล้วให้ตายใจได้สบายเลยพอก้าวเข้ามาสู่หยุดสงบนี่แล้วตายใจอบอุ่น รู้สึกว่ามีความแน่นหนามัม่นคงเป็นหลักใจของตนขึ้นมาทันทีบางท่าที่เราก็มาใส่พึ่งครูบาอาจารย์อยู่เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยแต่ในใจของเราก็เรียกว่าพอเดินได้เดินก้าวเข้าไปหาท่านได้เข้าไปกราบไปว่าท่านได้เราว่าเด็ครานไปเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะเรามีหลักใจมกีกําลังก้าวเดินได้การได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากท่านยิ่งแน่นหนามัม่นคงสังลึกเคยเป็นลําดับเป็นเครื่องส่งเสริมกับความเป็นอยู่แห่งความสงบของเรา ขึ้นไปโดยลําดับนี่หมายถึงความสุขที่จิตได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาเป็นมาเรื่อยๆโดยทั้งก้าวเข้าสู่ปัญญาความสุขที่นี้ในธรรมชาติท้องจิตที่ได้สัมผัสสัมพันธ์จากธรรมนี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้พูดยังไงก็ไม่ถูกคาดยังไงเดาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศตังวาลยุน ในโลกดินแดนนี้ 2,500 ปีออกมาจากพระไทยที่วิสุทธิ์ซึ่งเป็นบ่อแห่งทำแห่งวิสุทธิธรรมนั่นแหละที่นแสดงออกมานี้เป็นอากัปกิริยาอันหนึ่งที่มาจากวิสุทธิธรรมนั้นเป็นกิริยาไม่ใช่ทำแท้ผู้ปฏิบัติต้องปรากฏทำแท้เป็นลําดับเช่นสมาธิก็เป็นสมาธิโดยแท้ สมาธิขั้นใดก็เป็นสมาธขิขั้นนั้นโดยแท้ปัญญาขั้นใดเป็นขั้นนั้นโดยแท้โดยแท้เข้าไปเรื่อยเรืยนี่เรียกว่าสัมผัสด้วยใจของตนเองมันเป็นที่แน่ใจ <c oughs> เมื่อสัมผัสเข้าไปจิตก็ยิ่งพัวยิ่งพันธุ์เข้าไปพัวพันธุ์ในทางธรรมไม่เหมือนพัวพันธุ์ทางโลกพัวพันธเทล่าลยิ่งเบิกยิ่งกว้างเข้าไปเห็นช่องเห็นทาง อุบายกลมายาของกิเลสซึ่งเราไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันเป็นอุบายยังไงเป็นกิริยาอย่างไงที่หลอกลวงต้นถึงโลกมีเราเป็นสําคัญมาตลอดเวลามันทำวิถีมีวิธีการใดก็ปัญญาก็สามารถทราบไปด้วยได้โดยลําดับวิธีการนี้เป็นวิธีการของกิเลสประเภทนี้นนนนนนน ว, วิธีการนั้นเป็นวิธีการของกิเลสประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนั้นพิจิตรวิธีการของปัญญาก็ติดตามมันไปเรื่อย ๆ, ๆนี่พอเก้าวทางด้านปัญญาแล้วเห็นเรื่องละ เห็นเรื่องของกิเลสในสมาธินี้เห็นแต่เรื่องความฟุ้งซ่านโทษทางความฟุ้งซ่านเพราะเห็นคุณค่าของความสงบซึ่งเป็นค่าสื่อกับความฟุ้งซ่านนั่นเราก็เห็นโทษเพียงความฟุ้งซ่านวันบัดนี้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนและเป็นความสุขสบายเห็นได้แค่นี้พอจิตก้าก็สู่ทางด้านปัญญาที่นี่เบิกกว้างออกไปเพราะว่าปัญญาเพราะกิเลสมีหลายประเภท ความสงบก็เพียงความสงบที่เรียดมอบตัวเฉยเฉยที่เด็ดขั้นนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้เรียกว่าเป็นข้าศึกแห่งความสงบจิตวุ่นวายก็วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่พอจิตสงบเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เงียบไปหมดอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์เหล่านี้เข้าไปหมอบอยู่ภายในที่ลเอียดก็มอบตัวอยู่ในนั้นไม่แสดงออกอย่างนั้นแต่ไม่ได้ถูกทําลายเหมือนขั้นปัญญาพอก้าวถึงขั้นปัญญา เท่านั้นทปนี้ก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเป็นลําดับลําดาค <c oughs> ิเลสประเภทใดก็มารู้ที่ใจเพราะกิเลศอยู่ที่ใจสติปัญญาคือทำทั้งหลายอยู่ที่ใจเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้กันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่จะเป็นประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่าคิเลสแล้วจะทราบด้วยธรรมคือปัญญาธรรมสติธรรมโดยไม่ต้องสงสัยนี่รู้กันเรื่อยแก้กันไปเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยสังหารกันไปเรื่อยมีความเพลินไปในการ ก้กิเลสเพราะการแก้มันเห็นผลประจักษ์เห็นผลประจักษ์ไปโดยลําดับเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปประนึ่งว่าโลกนี่ขยายตัวออกไปอีกถ้าเราจะเทียบว่าเป็นโลกนี่คือความรู้ขยายตัวออกไปสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าล ะ, ละเอียดละออนเข้าไปเท่าไรยิ่งขยายตัวกว้างขวางไปเรื่อยๆ ก, ก, กิเลสมีขนาดไหนขนาดไหนตามต้อนกันทันทันทันเรื่อยเหนี่ล้ตามต้อนทันแล้วยังไม่ไม่เพียงทันยังฆ่าพร้อมฆ่าพร้อม เป็นขั้นขั้นตอนตอนไปข้าช้าก็มีข้าเร็วก็อย่างรวดเร็วก็มีเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่รวดเร็วที่สุดในการสังหารจิเลสเช่นเดียวกับจิเลสมันสังหารทำเราในเวลาบำเพ็ญขั้นเริ่มแรกนั่นแหละเราตั้งสติพับล้มผอยตั้งสติพับล้มผอยเลยตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่มันได้ตั้งเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยเพราะอํานาจของจิเลสมันรุนแรง สร้งางพับล้มพับล้มพับไปความความกันนี่ฉันใดเรื่องของมหาสติมหาปรราัญญาที่มีความสามารถแก้วกล้าภายในจิตใจแล้วนั้นกิเลสตัวไหนผ่านออกมาไม่ได้ขาดสะบัน้นขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดเช่นเดียวกับกิเลสมันทาสังหารเราในเบื้องต้นนั่นแหละมันถึงทันกันถ้ามาอย่างนั้นไม่ทันกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว ทำไมมันจะไม่เปิดโล่งหมดในโลกธาตุนี้แล้วความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจเครียดลาบจะให้ย้อนกลับหลังคืนมานี้ย้อนมาได้แล้วเป็นกับตายก็หมุนตัวไปไปข้างหน้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจอย่างเครียดอย่างลาบเรียกว่าเครียดแค้นกันที่สุดพูดถึงเรื่องความเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างประจักษ์ใจเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้เข้าถึงใจแล้วจะอยู่ได้หรือจิตใจมนุษย์เรา ไม่ใช่เป็นใจไม้ไส้ละกำไม่ใช่เป็นใจสัตว์ใจมนุษย์ของผู้บำเพ็ญเพื่อความพ้นทุกข์อีกด้วยซ้ำเรายิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปนี่แหละที่ปัญญาเก้าเดินเก้าอย่างนี้ทำเก้าเดินปัญญาเก้าเดินเก้าอย่างนี้โบกบุกเบิกกิเลสไปเรื่อยเรื่อยเื่ เอาเข้าขั้นขั้นใดสติปัญญาหักพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆจะเป็นละเอียดขนาดไหนสติปัญญาก็ละเอียดต า, ตามกันไปตามกันไปทันกันไปสังหารกันไปเรื่อยๆนี่เป็นอยู่กับผู้บำเพ็ญในขั้นนั้นขั้นนั้นผู้ไม่บำเพ็ญผู้ไม่เป็นพูดไม่ถูกรู้ไม่ได้เป็นภาษาของกิเลสกับธรรมรู้กันในหัวใจดวงเดียวของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นผู้อื่นมารู้ไม่ได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญ ภาษาธรรมะภาษากิเลสดูกันแก้กันตกแก้กันตกในเวลานั้นเท่านั้นถึงขั้นละเอียดสุดก็สติปัญญาก็ละเอียดสุดประจำตามกันหากเป็นไปเองในอำนาจของสติปัญญาที่เพียงไกรแล้วนั่นแหละเอาจนกระทั่งกิเลสม้วนเสื่อไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นยังไงโลกธาตุนี้หัวใจดวงนี้เคยหาสุขมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเจอตั้งแต่เริ่มสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นปัญญาสุข ก, ก็ละเอียดเข้าไปขั้นปัญญา แล้ปัญญาละเอียดเท่าไรสุกก็ยิ่งละเอียดแหลมคมเข้าไปทิ่เลือต้องหมอบไปเรื่อยหมอบไปเรื่อยถูกสังหารไปเรื่อยจนกระทั่งกิ่เลือดตัวฆ่าสุดอันใดหลวงภายในหัวใจของหัวใจเรามานานแสนนานนั้นได้พังลงอย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเป็นยังไงความมัศจรรย์อันไหนจะเหมือนความมัศจรรย์ของจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเล่าไม่มีในสมแดนโลกธาตุนี้ จิตดวงนั้นแหละหวัดกันตวงกันมาเทียบเคียงกันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่คว้านนี้คว้านี้คว้าน้ำเหลวมาตามลูกตามเสียงตามโลกตามสงสารกระแสของโลกมันรุนแรงของใจทุกดวงนั้นแหละคว้านั้นคว้านี้คว้าอะไรก็หลุดมือหลุดมือมีตั้งแต่ความทุกข์เป็นที่กรรมอาไว้กรรมอาไว้เหมือนกับกรรมถ่านไฟเอาไว้นี่เผาเจ้าของเผาเจ้าของคว้าอะไรก็เข้าใจว่าเป็นของดีของดีก็คว้าถูกมือเข้ามามันกลายเป็นฐ่านไฟไปเสียฐ่านไฟไปเสียเรื่อยมาจนมาก่อปุ๊บ เข้าถูกสมาธิตีปั๊บเย็นสบายตายใจนั่นนี่แล้วก็ะถูกถ้านเนี้อปลาเกาะทำถูกเกาะโลกเกาะอย่างที่ว่านั่นแหละเกาะเท่าไรเป็นพังทั้งนั้นดิ้นดีจจะเป็นจะตายหนหาหาที่ยุติไม่ได้ก็คือกิเลสคือใจมันเกาะโลกนั่นเองกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนเราไม่รู้นี่เกาะปั๊บเกาะปั๊บก็ะล้วนเนี้ยตั้งแต่เป็นสิ่งที่ มันผักดันออกไปจากภายในให้ให้เราไปเที่ยวเกาะโน่นคว้านี้นั่นแหละแต่เราไม่รู้ภายในคืออะไรอีกหละ่ะเราไม่สนใจดูเมื่อราสติปัญญามีแล้วไม่ต้องบอกข้างหน้าข้างหลังวิ่งย้อนอา่าวิ่งย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมามันทบทวนจะไม่รู้กี่ตลบทบทวนความรวดเร็วของสติปัญญาอะไรจะเร็วเท่าไม่มีเหล็กกิเลสก็ไม่มีอะไรจะเร็วเท่ามีธรรมเท่านั้นที่เหนือกับกิเลสท่านจึงเรียก ว, ว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก็เหนือกิเลสนั่นแหละไม่เหนือข้ากิเลสไม่ได้นี่ เมื่อติดตามกันได้พบนี้แล้วจนกระทั่งถึงปัญญาเรื่อยเือยถึงขั้นจนทั้งขั้นวิมุตต์หลุดพ้นแล้วเป็นยังไรความสุขอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีกิเลสก็เจือปนอยู่ทั้งทั้งกิเลสเกลียวปนอยู่นั่นแหละความสุขในทางธรรมเป็นอย่างไรก็เห็นในกันได้อย่างชัดเจนกิเลสจะเจือปนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละเอียดลงไปเรื่อยกิเลสอ่อนตัวลงไปเรื่อยทำความสุขของธรรมความเลียงของธรรมชั้นเหนือขึ้นไปเรื่อยๆเื่อจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสือไม่มีเหลือเลยภายในจิตใจเหลือแต่ธรรมล้วน คลองหัวใจของผู้บริสุทธิ์พูทโธนั้นไปยังไงนั่นเอาอะไรไปประมาณได้ไม่มีสิ่งใดประมาณได้แล้วในโลกนี้นั่นเรพระพุทธเจ้าอาัศจรรย์อัศจรรย์อย่างนั้นไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดให้เราฟังเฉยๆโดยไม่มีผู้รู้ตามเห็นตามไม่มีพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าพอจะเป็นสักขีพยานกันบรรดาสาวกอรหรันทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้ร้อยเปอร์เ็นร้อยเอร์ซ็นทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ท่านผู้ทรงบรมสุขท่านทรงอย่างนั้น นี่จะภาคปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังขอให้ทุกท่านจงอย่าหลงกลมายาของกิเลสแล้วยิ่งเวลานี้กําลังหนาแน่นเข้าไปโดยลําดับลําดาผู้ที่จะมองหาอาธรรมจะไม่มีแล้วในเวลานี้จะมีตั้งแต่มองไปหาของกิเลสนั่นทั้งนั้นละ่ะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลออกมาแง่ไหนมุมใดมองดูแผลบรู้ทันทีทันทีกันทีมีตั้งเรื่องกลมายาของกิเลสเคลื่อนไหวอะไรออกมาก็ดีแม้จะพานภาาน จ, จิตใจเคลื่อนออกมากเป็นเรื่องกิเลส ผลักดันออกมาผลักดันออกมาทางนั้นไม่มีเรื่องทําผลักดันออกมาแล้วจะเป็นธรรมได้ย่างไงหาความเป็นทําไม่ได้ถ้ามีแต่เรื่องอํานาจของกิตเลียมันผลักดันอยู่ตลอดเวลานี่แล้วตายลงไปแล้วก็ไปหมุนอีกอย่างนี้อีกเพราะกิตเลียมันอยู่กับใจใจตายไม่เป็นใจไม่เคยตายจึงต้องหมุนไปเรื่อยในภพนั้นชาตินี้ความสุขความทุกข์่ยปนกันไปหลังนี้สูงๆลำๆลุๆต่ําๆลุ่มๆโดนๆเป็นมากี่กับกี่กันแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่รู้กี่กลับกี่กัน ถ้าไม่เลยสกัดลัดต้อนกิเลสทั้งหลายให้ขาดชาวบ้านไปจากใจแล้ววัตฏฏจะย่นหดเข้ามาจนกระทั่งขาดชาวบ้านภายจในจิตใจไม่มีหวังเรื่องที่เราจะคลองโลกด้วยความเป็นสุขสบายนั่นอ่ะถ้าถ้าไม่ได้ทำอย่างที่ว่าเนี่ยให้กิเลสขาดชาวบ้านลงไปจากใจแล้วอยู่ไหนสบายท่านจึงไม่มีการสถานที่เวล่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องภายจใจิตใจก็สิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมติเป็นมีมดมีมดนี่ท่านก็ให้ชื่ออันหนึ่งนะ เราจะไปคาดว่าวิมุติเป็นอย่างนั้นนี้ไม่ได้ขอให้ข้าให้ให้เป็นในตัวเองเถอะจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบราบหมดทั้งนั้นไม่มีองค์ไหนจะคึกขนองไปได้แหละถ้าลงได้ถึงทําขั้นควรกราบพระพุทธเจ้าราบแล้วราบราบปัี้ผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่มีความหมายนั้นเป็นการเวลาธรรมราในโลกไหนมันก็มีการเวลาเมื่อแจ้งมีแต่ท่านผู้ที่หลุดพ้นไปด้วยอัดด้วยทำอุบาวิธีการใดได้สอนไว้แล้วนั่นแหละ เป็นสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์จากตัวของเราเองมาอย่างนั้นไม่ได้นะเวลานี้มันยิ่งร้อยหลอยลงไปในภาคปฏิบัติของเราก็ดีอย่าตื่นโลกตื่นน้องสารอะไรมันมีมันก็แสดงขึ้นมาตามเรื่องของมันอย่างเปิดเผยเรื่องของโลกทำเราก็เปิดเผรยรับกันสิสติมีปัญญามีจะจะไปหลงกฎมายาของกิเลสยัยงไงถ้าเป็นธรรมแล้วไม่หลงอะไรจะมาสักเท่าไหร่มันก็รู้ว่าเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากจากทำไปเสียไปเสียเนี่ย นั่นก็ไม่หลงไม่ไม่ติดไม่พันน่ะสิมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเท่านั้นแหะโลกอั น, นี้มีอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนลงไปทีวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปได้ประโยชน์อะไรวันนี้เป็นอย่างนี้จิตแล้ววันต่อไปเป็นยังไงก็ไม่ได้คํานึงคํานวณเทียบเทียงตัวเองพอที่จะขนขวายหาสิ่งเพิ่มเติมด้วยสติปัญญาของเราเลยอย่างนี้มันมันอยู่ไปเฉยๆน่ะเนี่ยอยู่แบบจิตจืดชืดชืดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ ตายทิ้งเปล่าๆนะักปฏิบัติเราเนี่ยผมเป็นห่วงเพื่อนหมู่เพื่อนเนี่ยที่ว่า เ, เ, วเท่าแก่ทลัยลำบากลำบนเทลัยก็ยังอุตส่าห์ลงมาให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยาปล่อยยาว่างเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอาให้หมุนติว้ววิธีการใดเราอย่าเสียดายโลกกินเราเคยกินนอนเราเคยนอนอียบททั้งสี่นี้เราเคยมาแล้วทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดเราอย่าเสียดายออียบบทใดที่เป็นประโยชน์แต่การบําเพ็ญธรรมของเราให้เน้นหนักในอียบบทนั้น ในวิธีการนั้นให้มากเราอย่าไปเสียดายอันใด ย, ยิ่งกว่าวิธีการที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นกองทุกข์สร้างกองทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราให้มันม้นวนเสื่อลงไปภายในจิตใจแล้วจะได้อยู่ความเป็นความร่มเย็นเป็นสุขรองกรรมานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี้นะว่าบันคับแควเข้ามามีมากพระกรรมาฐานแต่มันกรรมาฐานแบบไหนนั่นสิไม่ว่าท่านว่ารามันพอๆกันอันนี้ทิศน้ามิตกวิจารณมากยิ่งมีสิ่งล่อลวงนี้มากเข้าไปโดยลำดับแล้วไปเป็นบ้าโลกามีตรนะ จะกลายเป็นกรรมฐานบ้านกระะก ร, รมฐานเมืองหรอกต่อไปก็เป็นกรรมฐานพ่อค้าไปสิหาเรื่องหาราวไปแบบโลกทองสานมันเร็วกว่าโลกนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกทองสานไม่มีอัดมีอัน้นไม่มีขาดมีเขินมันขาดเ ข, ขินอยู่ที่ทำภายในใจมันจึงได้หิวโหวยหัว ใ, ใจของเราถ้าทํามีภายในใจพอได้ดื่มได้กินอยู่แล้วยังไงก็ไม่หิวไม่โหยเช่นอย่างเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่หิวโหวยกับอะไร อยู่สบายกลางวี่กลางวันกลางคืนเจอใครไม่เจอใครไม่สนใจอยากพบผู้พบคนดยาคุยธรรมะธรรมโมหรือคุยโลกคุยจงสานอะไรกับใครไม่สนใจทั้งนั้นอิมน่มอยู่กับความสงบเย็นนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิมีความแน่วแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวนั่นอารมณ์ทั้งหลายสงบไประงับไ ป, บไปรูปจะเป็นรูปอะไรบ้างพิจารณาเสเสียงอะไรบ้าง กลิ่นลดเครื่องสมัมผัสมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นภัยเป็นภั ย, ภยทางนั้นมันสงบจึงเรียกว่าจิตสงบไม่ยุ่งแต่ก่อนมันยุ่งเหมือนกทั้งวันทั้งคืนยืนเดินด น, นั่งนอนจนจะเป็นบ้าก็ไม่รู้ตัวนี่เมื่อจิตสงบแล้วเป็นอย่างนั้นนี่หลักๆของใจเริ่มรู้ตั้งแต่จิตเป็นทั้นสมาธิเข้าไปเริ่มสบายเริ่มหายห่องไปเรื่อยๆเรือ ย, ยอยู่ไหนอยู่ได้สบายๆถ้าว่าไม่มีผู้แนะนําทางด้านสติปัญญาให้ละเอียดแหลมคม แต่กล้าสามารถเข้าไปกว่านี้ติดนักปฏิบัติทั้งหลายติดสมาธิได้เพราะสมาธิมีความถุกพอตัวที่จะยังบูลุษตาฝ้าตาฟางอย่างพวกเราเราท่นทานนี้ให้หลงติดสมาธิได้ความติดสมาธินั่นก็กลายเป็นเรื่องสมุทัยไปแล้วนั่นเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวสมาธิเป็นสมาธิแต่ผู้มีปัญญาก็ติดสมาธิกลายเป็นเรื่องสมุทัยขึ้นอันหนึ่งดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านท่านว่านสมาธิทั้งแทงเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่น เขาคือความติดสมาธินั่นแหลเป็นสมุ ท, ทยัยไม่ใช่สมาธิเป็นสมุ ท, ทยัยความติดในสมาธิความลืมเนื้อลื ม, ลมตัวไม่คิดอ่านแต่ตรองหาทางออกที่ยิ่งกว่านี้นั่นแหลถ้าเรียกว่าสมุ ท, ทยัยแต่เราก็ไม่รู้แต่ก่อนมันก็ค่อยเข้าใจเองเข้าใจเองแล้วมอบกราบท่านอย่างราบอย่างราบเลยทําเป็นของเล่ห์ของประเสริฐนะอย่าให้ติดจางจากธรรมทั้งหลายโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นแต่กลับไหนกันใดมานี่ ทมก็เป็นทรรมอย่างนี้แต่การไหนการใดมาเราจะสัมผัสสัมพันธ์หนักแน่นในทางไหนยิ่งเราเป็นนักบวชโดยแล้วจะไปนหนักแน่นในทางโลกสมควรแล้วหรือนอกจะหนักแน่นในทางธรรมกินก็เพื่อทำอยู่เพื่อทำหลับนอนเพื่อทำตื่นขึ้นมาเพื่อทำทั้งนั้นถึงถูกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่อทำทั้งหมดหิวก็ตามอิ่มก็ตามเพื่อทำทั้งนั้น แเราจะไปคิดแบบโลกแบบสงสารว่าอันนั้นพออยู่อันนี้พอเป็นอ น, นั้นขาดเกิดอันนี้บกพ้องอันนั้นไม่ดี น, นี้ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของโลกจะเอามายุ่งในภายในหัวใจของผู้บําเพ็ญธรรมนั่นทำพาเป็นๆทาพาอิมอ่มๆทาพาหิวหิวเออไม่ถอยฝ่ากันลงไปตรงนั้นจึงเรียกว่าคู่ตั้งใจปฏิบัติต่อธรรมความมุ่งมั่นสําคัญมากนะความมุ่งมั่นนี่สําคัญมากกําลังใจถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วกําลังใจก็มีแล้วประการประกอบความภาคเพี้ยนทั้งหลายก็ หนุนกันไปหนุนกันไปนั่นแหละนี่อยากให้หมู่เพื่อนเห็นจริงๆไม่ใช่ธรรมดานั่นอย่างเทศนี้ทอดออกมาจากหัวใจจะว่าไงมาให้หมู่เพื่อนเห็นถ้าเป็นวัตถุก็นี่หน้านี่หน้าเห็นไหมตาบอดหรือจะว่างันนะมันคันฟันน่ะปฏิบัติมาไม่ได้หน้าดายหลังอะไรเลยมันหน้าโมโหนสอนหมู่สอนเพื่อนมาตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มารับภาพจนมาทั้งปัณิสี่จุดกว่าปีแล้วสอนก็ถอดออกมาจากตับจากปอดจากไส้จากภงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลย ทุ่มลงให้หมูเพื่อนหมดแล้วยิบยิบแยบแพอที่จะได้มาเป็นสักขีพยานบ้างมันไม่ปรากฏนี่มันเป็นยังไงนักปฏิบัติถ้ามากินแล้วนอนก็แล้อหนีเหมือนหมูจะเป็นอะไรไปเรายักว่างั่นนะสิ่งที่เลิศเลิศยืนมันมันนอนจมอยู่อะไรกับความสิ่งไม่สิ่งไม่เลิศเสกสรรมาเป็นของเลิศอย่างนั้นมันถึงติดตลอดเี่ไม่มีวันติดจางไม่มีวันเข็ดหลาบเรื่องของกิเลสนี่แหละกิเลสหลอกสัตว์โลกหลอกหลอกจยางนี้เองพิจารณาเอาอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเข็ดหลาบได้เมื่อไหร่ไม่เคยเข็ดเคยลา ถ้าเป็นเรื่องของธรรมมักจะเป็นนะเพราะทําความเพียรหนักวันนี้มีหนักบ้างวันหลังเข็ดแล้วฮมีความทุกข์ความลําบากบ้างเข็ดแล้วจะทําบิบายวิธีการใดเพื่อฝึกทรมานตนให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเพื่อความสงบเย็นใจนี่เข็ดแล้วเข็ดแล้วมันเข็ดเร็วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสพาให้เข็ดทำท่านไม่เข็ดแลหละไอ้กิเลสนั่นแหละมันแทรกนี่หลเห็นไหมกิเลสแทรกอืไม่ทันมันนะ ต, ต่อเมื่อได้ถึงการเวลาที่ควรจะทันแล้วมันปิดไม่อยู่อย่างว่านะมีเท่ทาไรทังหมดมันจะแยบออกมาตรงไหนทันหมดทันหมดจึงเรียกว่าความเจี่ยวชาญของสติปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดจะบั้นไปหมดเลยนั่นและนี่เรามันยังมาถึงไม่ถึงขั้นนั่นละทีมันขั้นต่อสู้กันขั้นตะเกียบตะกายขั้นล้มลุกคุกคลานต้องอาศัยความอดความทนค่าสติปัญญาให้มาก อย่าอดทนเฉยเฉยให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องกํากับไปเราจะได้อุบายแปลกๆต่างๆางขึ้นมาภายในจิตใจของเราถ้าบําเพ็ญยังไม่เห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเป็นสมบัติของตน โ, โดยแท้แล้วนี่มันเกินไปแล้วนะกรรมฐานเราเพียงความสงบเย็นใจสมาธินี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วโอยตายถ้าเป็นเรานี่ไม่ไม่ไมบบอุปชาไม่ไม่เป็นอกุศลลให้เนี่ยถ้าแบบงโงโ่ตายเนี่ยสอนให้ฉลาดทุกวันทุกเ ว, นกวนลนร่เวลา แล้วก็ยังงงงงเซอร์เซอรสมาธิเพียงเท่านั้นก็นยังส่งไม่ได้พอจะเป็นหลักใจของตนเองตายแล้วจะนิมนต์ปกุศลาอย่ามานิมนต์นะนี่กุศลาอยู่เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดทังนั้นนี่คือกุศลารู้ไหมท่านทั้งหลายรู้อย่างกุศลาแปลว่าอะไรทําย่างบุคคลให้ฉลาดอากุศลาทําย่างบุคคลนั้นโง่แน่เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่ทำไมที่ต้องนอนใจอนักหนาแล้วเพื่อนฝูงที่มาก็ พอผสมประสกันมาเรื่อยทําให้หนักใจผู้ที่อยู่ก่อนนี่มีเยอะนะมาให้ดูกันการภาคปฏิบัติตา ด, ดูหูฟังสังเกตพิิจพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติจะตัวเองดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามแนวนั้นอย่าให้ขีดให้ขวางกันน้าปฏิบัติต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจะขัดข้องกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ถูกเพราะเป็นผู้มุ่งทําต่อกันแล้วอะไรเป็นทํายอมรับกันทันทีทัน ท, ท, นทีอย่าถือทิฏฐิมานะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรง อย่า เ, อาเข้ามาในวงเวทีของการสังหารธรรมะไม่ถูกต้องเอาให้แน่นหนา ม, มันคงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายยอมรับกันทุกอย่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาทำเป็นใหญ่หมุนข้าหาธรรมทำว่ายังไงทำวมาถูกแล้วยอมรับกันทันทีทนทีนั่นคือธรรมแล้วอยู่ด้วยกันจะเป็นผาสุขเนียนี่เที่แปลกอายุสุกเหนื่อยแล้วอ๋อพอ